ศาสนาเหมือนกับน้ำคือษาสำหรับช้าตล่างสือผู้ศักดิ์ศรัปกซึ่งมีภานในกลายวาจาใจของพวเราใจที่พร้อมด้วยความโกรีจดเกลียดตายอยู่ภานในตัวแต่ว่าเป็นใจที่ศักรัทธจึงต้องชำระล่างโดย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 เก็บกวาดเอาภพชาตของเราที่เคยเกิดแจ็บเจ็บตายมาในวะะนัฏฏานี้แม้แก่คนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเข้ามีรวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพพชาต่ดูซากของตัวเองที่เกิดแจ็บเจ็บตายอยู่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 ปุจทจุนทุกทุนนก ท, ทุกทุวทากทุกทุกทุกทุกทุกทุเทุกทุกทุกทุกทุนทุนกทอกทุกุ่กทุกทุนทุกทุกทุกทุกทุกทุกทักทุกทุกทุกทุมประตูกทงกงุกทุกทุกทุกทุกทุ่ทุกทุกทุกทุกทุกทุกมากทุกทุกทุกัุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทนกทุกาุกทุกทุแทุกทุกันราาูุกทุกยุกทุกทนกทุาทุกทุกทุกทุอยุกทุกทุกทุกทุกท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 ซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้อาฝึกโทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงเกาะอยู่ทุกเว ล, เวลามีหนละักณ์ณภายในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเรานคนชุดให้เห็นอสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาจนส่านหนึ่งาาขันก็ให้ประมวลมาในธาตขันของเรานี้ เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนกรทางถึงบัดนี้ธาตขันอนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาตเต็มขันเต็นตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้คือเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปทางหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นธรรมนองที่เป็นอย่างนี้เอง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 ถ้าถึงที่แล้วใครจะไปกอบโคยหรือแบบถามอนทางไปละไปละก็เป็นไปตามความริงเนี่ยที่ันว่าบุญญาปาปะไปหน้าบุคคลผู้บุญญาบา ป, ปัน่าเสียแน่รละแบบนี้เองในทะละแบบตั้งใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนว่หวาดเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะไ้กลัวขนทาง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 อากเลยคือจิตมันแ น, น, น้วถ้าใจมันพักนี้มันแ น, น่วถ้าเราจินตนาทางด้านบัญญา น, นี้มันก็หมุนมันละเอียดแล้วออกมากทู่สุดมันสุนทรภาพมันซึ่งไปทุกงเนี่ยทุ่งนึงของปัญญ า, าถ้าขาดสารมันมันมันก็นเบาตอนนั้นขาดสานมันช่วย